สองจุสองหนึ่งสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวงเล็บเปิดสิห้ามิมถุนายนสอง1ันห้า้อห้าิบเอ็ดวงเล็บปิดหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ปิดเครื่องหมายคำพูดบางคนก็เข้าใจผิดนะบอกว่าถ้าเข้าห้องน้ําแล้วห้ามปฏิบัติธรรมเพราะจะบาปอันนี้พูดเอาเองเข้าห้องน้ําก็ต้องปฏิบัตินะหลวงพ่อเคยเจอนักปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยเข้าห้องน้ําแกก็ดูของแกไปเรื่อยวันนี้จิตมีราคะก็ดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะวันนี้จิตมีกําลังแล้วก็ดูเป็นธาตุเป็นขันธ์ธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกอะไรอย่างนี้นะเขาดูของเขาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ําแล้วห้ามปฏิบัติ สตินั้นต้องเจริญไว้ตลอดเวลาเท่าที่ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นอกุศลจะเข้ามาแทนอกุศลครอบงําจิตเมื่อไร่ความทุกข์มันจะตามมาเพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติไว้นะพอมีสติอกุศลดับกุศลจเจริญจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นกุศลเป็นความฉลาดกุศลมีความสุขเป็นผลของมันนะค่อยฝึกไปเรื่อยไม่มีอะไรมากนะธรรมะจริงๆมีเท่านี้แหละ ไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังแล้วยิ่งนานวันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆ